บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะในหมวดที่ทรงแสดงเรื่องของสังโยชน์เวลาตาเห็นรูปเป็นต้นนั้นจะพบว่าในแนวของการปฏิบัติก็จะออกได้มาทุกทุกแนว โดยมองที่อจตนะคือตาหูจมูกลิน้นกายใจือมองที่รูปเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งและอารมณ์ที่เข้ามากระทบคือตาก็จะศึกษาในแง่ที่เป็นทุกข์จิตใจก็จะเกิดเบื่อหน่ายใครกับนั้นในทางการปฏิบัติจึงทรงสอนไว้หลายแนวแนวหนึ่งนั้น ในกรณีที่จะเพิ่มกิเลสเพิ่มความคุณมัวสมองขึ้นภายในจิตก็ทรงสอนให้หลีกเว้นจากสถานที่เหล่านั้นเพราะเราะพบว่าธรรมะปฏิบัติในทางพุา萨นาจึงห้ามไปในสถานที่บางแห่งธรรมะบุคคลบางกลุ่มการเกี่ยวข้องกับบุคคลบางประเภท พระธรว่าไปในสถานที่นั้นแล้วจะมีลักษณะอารมณ์ที่ยั่วยุวยวจวนเป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสขึ้นสํานวนามมาธรรมะทราชาชก็ว่าอโครจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปบางครั้งไปแล้วมันก็เสื่อมสงาราศีบางครั้งไปแล้วก็จะดึงเราเข้าสู่กระแสของความชั่วมากยิ่งขึ้น แม้จะไม่ถึงอย่างนั้นบางครั้งก็ทําให้ถูกยั่วยุโยโ ย, ยนด้วยอารมณ์ที่มีอยู่ในสมัยนั้นจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยความกําหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความ ม, วมัวเมาซึ่งกหมายความว่าพอถึงจุดหนึ่งอาจจะออกมาในทางวจีทุจริตหรือออกมาในทางกายทุจริตนี่เป็นการสอนในแนวลีกว้น จึงจะพบว่าธรรมะกลุ่มหนึ่งที่ทรงสอนไปในธรรมนองคล้ายๆกับเก้าอี้นิรภัยให้บุคคลอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพิงนิจพิจารณาทุกขั้นตอนของการดารงชีวิตและเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเพราะความดีและความชัวว่วก็ตาม ก, ก็เกิดมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบัญญาเมั่เกิดขึ้นแล้ว บางอย่างมันก็มีความจําเป็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแต่ในจุดนี้ก็ส่งสอนให้พิจารณาในเรื่องของปัจจัย4ี่ที่เราเรียกว่าปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องปัญหาการครองชีพที่จริงก็เป็นปัญหาที่ถาวรในสังคมของสัตว์โลกสัตว์โลกจําเป็นจะต้องอยู่ด้วยปัจจัยทั้ง4ประการ แล้วก็เดือดร้อนมุนวายจนถึงประกอบอาจยากรรมเพราะเหตุปัจจัยทั้งสีประการแต่ถ้าเรามองให้ลึกซึ้งลงไปก็จะพบวา่ามีคนเป็นจำนวนมากที่เขาอยู่ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องทำความชั่วอะไรมีปัจจัยสี่ให้ความสะดวกสบายแก่ตัวเองได้จุ่ลักษณะาการกระทำเช่นนั้น หมายความว่าเขาสามารถควบคุมความรู้สึกเขาไว้ได้แม้จะมีความโลภอยู่ก็ใช้ความเพียรพยายามสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาโดยไม่รู้อำนาจแก่ความโลภที่บังเกิดขึ้นจนถึงไปพูดผิดทําผิดก็กลายเป็นชีวิตที่เราเรียกว่าสุดจริตชนการเลี้ยงชีพของคนเหล่านั้นก็อยู่ในกรอบของสมาชิ เมือ่อตรวจสอบดูที่ตัวคนแต่ละคนก็จะพบความจริงว่าแม้เราเองแต่ละคนมีเป็นอันมากที่ได้สิ่งต่างๆมาในทางที่ชอบทำไม่ได้เกลือกลัวด้วยกิเลส ท, ที่รุนแรงหรือความชั่วที่รุนแรงทำผิดทำร้ายต่างๆเพื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาเมื่อเราตรวจดูจิตใจในในขณะนั้นๆก็จะพบว่า กิเลสมันไม่แรงแต่ไม่ได้หมายความไม่มีกิเลสเราก็มีความโลภแต่เราคุมความโลภของเราได้อาจจะเกิดความโกรธผู้ขึ้นมาแต่ก็ข่มใจไว้ได้ไม่รู้อํานาจแก่ความโกรธส่วนความหลงนั้นแน่นอนคนเราต้องมีความหลงอยู่ระดับใดระดับหนึ่งเสมอเพราะคนที่ ข, ขาจัดความหลงได้จริงๆมันก็มีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น และการควบคุมความรู้สึกที่บังเกิดขึ้นเป็นวิธีการปฏิบัติที่เสริมคุณภาพใจิตใจของบุคคลในแต่ละวันให้มีความประนีตขึ้นสงบขึ้นมันทำให้เป็นจิตที่พร้อมจะน้อมไปเข้าสู่ความสงบจะน้อมไปใช้ปัญญาพินิตติจารณาลักษณะของพร้อมก็เหมือนการเตรียมพร้อมทั้งหลาย เตรียมอาหารพร้อมก็รับประทานได้ทันทีเตรียมบ้านพร้อมก็นั่งก็นอนก็ยืงก็เดินได้ทันทีเตรียมที่นอนพร้อมก็นอนได้ทันทีหือว่าเตรียมที่จะสอบพร้อมมันก็สอบได้ทันทีเป็นต้นเรนั้นการเตรียมใจให้พร้อมจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่จะเพิ่มความดีแล้วก็ป้องกันความชั่วเอาไว้คำสอนของพระพุทธองค์นั้นไม่ว่าจะอยู่ในตรงใดก็ตามลสอนในลักษณะใดก็ตาม แต่พอปฏิบัติไปตามที่ทรงแสดงไว้ความชั่วก็จะลดลงความดีก็จะเพิ่มขึ้นและเป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะในแนวปัจจัยสี่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ธรรมะเป็นเครื่องสแสวงหาเป็นเครื่องบริโภคใช้สอยเป็นเครื่องดูแลรักษาโดยไม่จำเป็นจะต้องผิดสินทำอะไรก็ได้ แล้วคนส่วนใหญ่ในโลกนี้มันก็อยู่ในแนวนี้แม้จะผิดไปบ้างมันก็ผิดไม่ถึงกรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นผู้สารในกชนเราก็มีบุคคลตัวอย่างคือรพระพุทธเจ้าพระริจ้าทั้งหลายก็คงมีปัจจัยสี่เช่นเดียวกับเราแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนจิตใ จ, จของท่านไม่ฟูขึ้นไมีผุโปรงเพราะเรื่องปัจจัยสี่ เมื่อไม่ได้ก็ไม่เสียใจเมื่อได้มาก็ไม่ดีใจแต่พร้อมที่จะดําเนินชีวิตให้เป็นไปตามปัจจัยสี่ตามมีตามได้ซึ่งก็หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นใจของท่านก็ไม่เดือดร้อนแต่ถามว่าทําไมใจไม่เดือดร้อนเพราะว่ากิเลสภายในใจไม่มี เมื่อกิเลสภายในใจไม่มีท่านบอกว่าสถานที่บุคคลอะไรตระไรเนี่ยไม่ได้มีบทบาทสาคัญอะไรพระเจ้าทั้งหลายนั้นท่านอยู่ในที่ปา่าในที่ลุ่มในที่ดอนในที่แห้งผกักในที่ร้อนในที่หนาวจิตใจของท่านกระดึดุมจิตใจของท่านก็เบิกบานมากไปด้วยปีติมา ก, กไปด้วยปราโมทซึ่งก็หมายความว่าจิตใจที่ไม่มีกิเลสนั้น สามารถอยู่ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายได้โดยไม่แปดเปื้อนด้วยกิเลสหรืออารมณ์หรสนั้นท่านอุบมาจิตที่ไม่มีกิเลสหรืออย่างน้อยก็สงบกิเลสว่ามีจิตเหมือนกับเพชรเราจะว่าเพชรเพชรนั้นจะตกในที่ใดก็ตามก็คงความเป็นเพชรของเขาอาจจะตกไปในโคลนอาจจะตกไปในสิ่งสกปรปก แต่โครนก็ซึมเข้าไปในเพชรไม่ได้สิ่งสกรปรกก็ซึมเข้าไปในเพชรไม่ได้แม้แจะเพชรอยู่ในที่นั้นก็ตามสหรับพระยาบุคคลนั้นเนื่องจากที่เป็นเันนั้นได้เนื่องจากท่านตัดกิเลสขาดชาวสามัญชนคนทั่วไปสามารถจะเดินตามรอยเท้าท่านได้โดยการพยายามศึกษาให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้น ที่สําคัญคือใจอย่าเอื้อมออกไปรับเกินไปอารมณ์มันเขอยู่ข้างนอกเขาอยู่อย่างที่เขาอยู่มีเป็นอันมากที่เราวิ่งไปหาเขาเองเขาอยู่ในสถานที่ของเขาเราอยากดูเราก็วิ่งไปดูอยากฟังก็วิ่งไปฟังอยากดมก็วิ่งไปดมอยากลิ้มก็วิ่งไปลิ้มอยากจับต้องก็วิ่งไปจับต้องบางทียังอุตส่าห์ข้ามน้ําข้ามทะเลไป เพื่อดูเพื่อฟังเพื่อดูเพื่อดมเพื่อลิ้มเพื่อชิมเพื่อจับต้องแล้วท่านเหล่านั้นถ้าถ่าว่าท่านไม่มีกิเลสเนี่ยใจท่านไม่ดิ้นอย่างนั้นแล้วสมมติว่าท่านต้องเกี่ยวข้องปัญญาก็จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันจะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งกระบวนการของทั้งระบบของเขา สามใจก็ท่านคงที่ที่ไม่พูขึ้นไม่พุ่งลงเพราะละักษณะคงที่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรคือใจเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นเราหรือเป็นของเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราคือสรุปว่าถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตนอะไรมากเกินไปใจเราจะไม่พูขึ้นไม่พุง่งปง เพราใจมันไม่จะเอื้อมไปว่าเป็นของเราหรือว่าเราเป็นครนี้ท่านสาชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราออกจากบ้านไปในบ้านเมืองไกลๆมีเรื่องเป็นอันมากถ้าหกว่เป็นบ้านเราเนี่ยเราไม่สบายใจแต่พอถึงบ้านเขาเรื่องในแนวเดียวกันนั่นเองเราก็ไม่เดือดร้อนอะไร เช่นปนัญหารถติดมันก็ติดกันอยู่ทุกส่วนเมืองหลวงเมืองใหญ่ในทั่วโลกมันก็รถติดทั้งนั้นแต่พอติดในบ้านในเมืองเราเนี่ยเรามองไปเรื่อยๆจนถึงรัฐบาลแต่มองไปที่ต่างประเทศมันก็เท่านั้นแหละไปไปเดี๋ยวประดามันไม่ใช่ประเทศของเราแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนในสถานที่นั้นไอความรู้สึกว่าเราเป็นเรามีเนี่ยมันลดลงไป ถึงก็บางคนก็มาพูดเป็นตุปเป็นตะบรรยายความสวยงามความเรียบร้อยความสะอาดสะอ้านในบ้านเมืองต่างๆแล้วก็ไม่มีที่ไหนแล้วสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไปด้วยประกาศทางปวง ก, ก็มีทั้งนั้นเพียงแต่ว่าใจเราไม่ไปยึดเกาะเข้าท่านั้นเนนด้งเพรลักษณะใจเรานี้เอาจริงเราก็ทําได้อยู่แล้วแต่เป็นการทําได้ระดับหนึ่งทำได้ในสถานการณ์หนึ่ง หรือบางทีก็หลายระดับหลายๆสถานการณ์แต่นั้นจึงดึงเอาคุณสมบัติเหล่านี้เข้ามาใช้หมายความว่าใจไม่เอื้มไปรับคือไม่ไม่ไปกำหนดด้วยความรักความชังหรือความยินดียินร้ายความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นมันก็เกิดวมัมนัามองทบทวนดูชีวิตเราเอง มีเป็นอันมากที่เพื่อนผูงประสบปัญหาเราสามารถดัดฐาอธิบายชี้แจงอธิบายยังมีความสมเหตุสมผลเราแก้ปัญหาความขุ่นข้องมองใจความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นภายในใจิตใจของเพื่อนได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าในขณะนั้นกี่กรสิ่งนั้นเราไม่ยึดถือเป็นของเราหรือเป็นเราด้วยสติปัญญามันก็มีความแหลมคมพร้อมชี้แจงอธิบายให้เหตุผลแก่คนอื่นได้ บางคนอาจจะเป็นนักจิตวิทยาแก้ปัญหาชีวิตให้แก่คนอื่นมากมายไก่กองแต่ว่าพอเกิดขึ้นแก่ตัวเองกลับแก้ไม่ได้อย่างที่ท่านบอกว่าผมเข้าตาหรือเส้นผมบางผุเขาเอาจริงมันแก้ไม่ได้เดี๋ยวถามว่าทําไมแก้ไม่ได้เพราะว่ามีส่วนหนึ่งที่ใจเราไปกําหนดว่าเป็นของเราเป็นเราอยู่ พอตอนเป็นเขาเป็นของเขาไอ้ใจเราไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเหตุผลสติปัญญามันก็แหลมคมได้ในจุดนั้นแต่พอถึงเป็นเราเป็นของเราเข้าเพราะเรามีเราเราเลยหน้ามืดได้วิเคราะห์ตัดสินใจเหตุผลอะไรไม่ได้เพราะนั้นบุคคลเป็นอันมากเราดูแล้วไม่น่าเชื่อแม้ในสมัยพุทธกาลในท่านเล่าถึงมีพระบางรูป ญาติโยมตายไปร้องโผมร้องให้กระรองไปเด็กๆได้ทั้งไปแต่ก่อนหน้านั้นท่านสามารถเทศชี้แจงอธิบายแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนทั้งหลายได้ทำไมเพราะว่าของของคนเหล่านั้นก็คือของคนลอดนั้นท่านไม่ไปเอื้อมแต่พอเราไปเอื้อมแล้วมีปัญหา ดังนั้นเราจรึงเห็นว่าบางครั้งลูกหลานจะเดือดร้อนจะคอยขัดขวางพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บริจาคทําบุญถามทําไมไปขัดขวางทําไมคือใจเราเอื้องก่อนที่ท่านจะให้เราเราคิดว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้พ่อปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านตายแล้วก็ตกเป็นของเราเพราะงั้นถ้าท่านเอาทําบุญเสหมดเราจะรับได้น้อยก็ลเลยคอยขัดขวางคอยตัดรอน ไม่ยอมให้ท่านทาเพราะจริงๆแล้วใจเราเอื้อมเกินไปเรายังไม่ได้เป็นทายาทในจุดนั้นเขายังไม่มอบหมายให้เราแล้วก็จะมอบหมายหรือไม่มอบหมายก็ยังไม่รู้เลยจำไปพอใจเอื้อมเลยยุ่งละ่ะสร้างปัญหาเกิดขึ้นนะซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยใจมันเอื้อมแรงไปจนด้วยแรงริษยาบ้างแรงแข็งดีบ้าง เช่นว่าได้ยินได้ฟังคนก็ทำความดีอย่างนั้นบริจาคเป็นสาธารณะกุศลอย่างนั้นอย่างนั้นก็รู้สึกเสียดายแล้วก็ตำหนิคนเหล่านั้นนั้นแสดงถึงจิตใ จ, จของบุคคลที่มีความคับแคบเอื้อมไปคอยคว้าสิ่งของของบุคคลอื่นที่เขามีสิทธิที่จะใช้ โดยอาจจะเป็นเกิดจากความคาดหวังว่าถ้าเขาไม่เอาไปทำอย่างนั้นเสียหมดเราอาจจะมีส่วนร่วมในการไปพวกใช้สอยสิ่งเหล่านั้นก็ได้ลักษณะเหล่านี้ที่จริงเป็นธรรมชาติของจิตใจในสมัยที่พระเจ้ายัางดำรงประชนจูราชาท่านถวายทานมีอามาตยสองคน คนหนึ่งนึกเสียดายนึกตำหนิพระราชาว่เาเอาเงินเป็นจำนวนมากไปถวายทานแก่พระสงฆ์ถ้าตอนนี้ชันอิ่มแล้วก็นอนไม่ต้องทำอะไรแต่เรากว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาทำงานดยความเหนื่อยยากลำบากแล้วเอาไปใช้จ่ายไปเลี้ยงดูพระสงฆ์ไปหมดน่าเสียดายราชทรัพย์ตระเตรีมาไม่ได้เกี่ยอะไรกับท่านเลย แต่ยาทั้งเอื้อมไม่ขัดขวางด้วยความริษยาด้วยความแข่งดีด้วยความรู้สึกว่าถ้าไม่ให้ไปหมดนี่ยตนน่าจะมีส่วนอยู่บ้างแต่คนหนึ่งแสดงความชื่นชมยินดีในการถวายทานของพระราชามันเกิดปัญหาตอนที่พระเจ้าทรงอนุโมทนาปรากฏพระเจ้าทรงอนุโมทนาสั้นนิดเดีย ทำให้ประชาชิรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยว่าถวายทานหมาสาลอย่างนี้พระพุทธเจ้าน่าจะอนโมธนาให้มากเรียกวอนโมธนาวิจิตพิสดารด้วยคือให้พรพิสดารด้วยแต่ปรากฏว่าให้พรสั้นนิดเดียวก็มากราบทูลถามด้วยความคล่องใจก็รับสั่งเล่าว่าอนโมธนามากไปได้ล่ะมันจะเป็นอันตรายแก่คนทฤษฎีแล้วพุทธเจ้าก็เล่าความคิดของคนสองคน ทำให้ประชาชรู้สึกผิดหวังที่ตั้งใจไว้ว่าจะได้รับคำอนุโมทนาจากพรเจ้ามากแต่ว่าคนมาคิดขัดขวางไว้และสุขก็ตัดสินใจไล่คนนั้นออกไปจากราชการค้อนี้ก็คือการสะท้อนจิตใจของคนที่มันเอื้อมเกินเหตุเกินผลไป ไม่ในเรื่องอะไรของเราเราก็ไปเอื้อมไปคว้าไปวุ่นไปยุ่งยากกับเขาทั้งหมดวันใจที่เอื้อมเนี่ยคือใจที่ขาดเหตุผลขาดปัญญาเป็นเครื่องปีนิพิจารณาว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรควรหรืออะไรไม่ควรแม้แต่การครองชีวิตในชีวิตประจำวัน็นสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยเพราะใจเราเอื้อมแล้วก็ไปเกาะอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งเอาจริงแล้วเขาก็เป็นเนี่ยที่เขาเป็นเขาอยู่อย่างที่เขาอยู่เขามาอย่างที่เขามาตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายเนี่ยจะนัดหมายกับใครคนใดคนหนึ่งเอาไว้แล้วก็คอยเะเง้อรอดูเรื่อยๆว่ามาได้ยังมาได้ยังมาได้ยังเสร็จแล้วก็สับกระสายเดินงุนงานไปเรื่อยเราโลภอยากให้เขามาเมื่อเขาไม่มาตามที่เราโลภเราก็โกรธ เพราะเขามาไม่ได้มาตามที่เราอยากให้เข้ามาแล้วเราก็ร้อนเพราะความโลภความโกรธที่มันเกิดขึ้นถามว่าใครให้เกิดขึ้นเราให้เกิดขึ้นเองทําไมจึงคิดเช่นนั้นเพราะเราหลงเราไม่เข้าใจเหตุผลว่าเขามาก็คือเขามาไม่ใช่ว่าการรอคอยของเราจะเร่งเร่งเขาพรวดเดียวมาถึงเราก็เปล่าเขาก็มาอย่างที่เขามาอยู่นั้นแหละเขาถึงเขาก็ถึง เขาไม่ถึงเขาก็ไม่ถึงการเร่งของเราการรอคอยของเราการจะเง้อดูแล้วดูอีกการวิ่งพันไปพานมาของเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากว่าสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองความคิดตอนนี้จึงเป็นการปรุงขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองเพราะความโลภตัวนั้นเราสร้างขึ้นมาเองความโกรธตัวนั้นเราสร้างขึ้นมาเอ ง, เ, ง, เ, องเพราะว่าใจเราหลงเอง แต่ลองรูว่าบางทีเราก็ไม่สนใจคอยมาก็มามาเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นจิตใจเราก็สบายมีภารกิจการงานอะไรก็ทำอ่านหนังสือก็อ่านคุยก็คุยกันไปเวลาอาจจะมากกว่าแต่รู้ไม่รู้สึกกระสรับกระส่ายอะไรแต่การไปจิตไปคว้าในลักษณะรอคอยแล้วก็บังคับสั่งการไปด้วยความคิดตัวเองทั้งหมดแม้เวลาจะน้อยมันรู้สึกจะมาก นั่นคือลักษณะของใจที่มันเอื้มมันจะมีความหลงมากความร้าเหตุผลมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยบางทีมีเกิดการตายในการพลัดพลาดที่ก่อให้เกิดความทุกข์จะมีการร้องผกมร้องไห้กันเป็นมหากรรมทีเียบางแห่งก็จ้างกันมาร้องไห้เพื่อแสดงว่าเสียดายอะไรแต่พูดที่จากไปพักมากโดยคนเหล่านั้นไม่ได้คิดถามใจตัวเอง ว่าร้องไห้เพราะอะไรทำไมจะร้องไห้ร้องไห้แล้วมันได้ประโยชน์อะไรอย่าถามว่าร้องไห้เพราะอะไรเพราะเสียดายาตอนนั้นตายไปเสียดายแล้วจะทำยังไงจะให้เขาฟื้นมาได้ออยังไงจะเอาไหมก็จะเขาฟื้นมาเนี่ยลองถามตอนนี้มึงก็ตอบไม่ได้นะตายไปหลายวันมีกลิ่นแล้วฟื้นขึ้นมาจะเอาหรือเปล่าแล้วก็ไม่เอา แต่เราก็ไม่เคยคิดแต่จุดนี้ใจก็เอื้อมไปตั้งความหวังในสิ่งที่หวังไม่ได้เพราะน้มีเป็นอันมากที่เราเรียกร้องแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้บาทีพออายุมากข่ามังกรยักจะย้อนอนดีตแล้วกำหนัดเพลิดเพลินเยี่ยวกับอดีต ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นย้อนกลับมาหรือหวนคืนมาแต่ถ้าเราคิดรองไปจริงๆว่าอาดีตนั้นไม่ได้มีเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งแต่มันมีทั้งหมดของอดีตมันเหมือนกับวันนี้มันก็มีทั้งหมดของวันนี้อากาศร้อนก็ร้อนอย่างวันนี้หนาวก็หนาวอย่างวันนี้ตรงนี้ถ้าเราเอามาเราต้องเอามาทั้งหมดสมมติเอามาได้ทั้งหมดเราก็เป็นเด็กเล็กๆ กลับไปที่เดิมสิ่งตั้งหลายที่มีอยู่ในปัจจุบันต้องสลายหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดทีหลังพอคิดไปคิดมาคนจะไม่คว้าอาดีตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นอันมากที่เราไม่ชอบอดีตเราเรียกร้องเฉพาะส่วนที่เราชอบเท่านั้นแต่เอากหจริงแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเรียกร้องได้มันก็มาหมดด้วยกันนั่นก็คือแนวความคิดที่ จะเป็นเสริมจิตใจของบุคคลและแต่และอย่างนั้นจะมีความสมเหตุสมผลในตัวเขาเป็นการเพิ่มปริมาณของปัญญาและปัญญาที่เราฝึกปลือมานี่มันจะเป็นคล้ายๆเราฝึกกีฬาในสนามใดสนามหนึ่งก็ได้ฝึกที่ใดที่หนึ่งก็ได้เราเสร็จแล้วไปแข่งได้ทั่วโลกเพราะฉะนัจิตใจที่เราฝึกไว้จะฝึกด้วยอารมณ์อะไรก็ตาม มันจะมีความแหลมคมขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าแนวความคิดของพระโพธิสัตว์กิโลพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะสัตรู้มันก็เดินดูเอาเท่านั้นเองแต่ทรงคิดเห็นเป็นระบบเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีมันเป็นกระบวนการธรรมชาติของมันคือเราจะเอาเาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ บางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าไอความเป็นเหตุเป็นผลที่มันต่อกันคือถ้าเรายอมรับในกฎที่เป็นธรรมชาติคนก็ไม่เถียงกันอย่างในสังคมเราที่ชอบพูดว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนเนี่ยคือชอบพูดกันมาตั้งแต่โบราณกันเดี๋ยวก็เถียงกันแต่ถ้าเรามองในกระบวนการของเหตุผลเราไม่เถียงเพียงแต่ว่าจับเป็นคู่ๆกันว่าไก่ใบไก่ตัวไหนก็ขไข่ใบไหน ไม่พอแม่ไ ก, ก่ไข่ออกมาเป็นไข่เราก็บอกว่าไอ้ไข่ตัวนี้มันเกิดจากไก่แต่ก็มีลูกไก่ฟักออกมาจากฟองไข่เราบอกว่าไข่ใบเนี้ยเป็นเหตุให้เกิดไก่ก็จับคู่กันได้ตลอดโดยไม่จําเป็นจะต้องมีเถียงอะไรแต่ถามคลุมๆอย่างนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลไม่ไม่ได้เป็นกระบวนการคือเหตุกับผลไม่ได้เชื่อมกัน คือถ้ามองเหตุกับผลเชื่อมกันก็ทํานองที่ทรงอุปมาว่าเหมือนการปลูกต้นไม้แต่สุดก็ได้ผลของต้นไม้ปัญหทําการว่าปลูกผลปลูกปลูกต้นไม้ชนิดใดผลมันก็ออกมาจากชนิดนั้นผลจะไม่ไปขัดแยง้งกับเหตุผลจึงมีความสืบเนื่องมาจากเหตุหรือเหตุเองก็ก่อให้เกิดผลดังนั้นจากโครงสร้างความคิดเหล่านี้ ทำใหพระพุทธเจ้ามองคนที่กำลังทะเลาะ ก, กันผัวเมีทะเลาะ ก, กันมองคนกลุ่มหนึ่งในครอบครัวหนึ่งที่มีคนคนก็หนึ่งตายไปคนเหล่านั้นก็ร้องโหมร้องไห้มานั่งล้อมศพไปร้องไห้กันแล้วก็ไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายเจอทักบวดแต่อย่างนั้นทรงมองเห็นเป็นกระบวนการทั้งหมดพอมองไปมองมาแล้วเห็นเป็นกระบวนการหมด ว่าการที่คนต้องมาทะเลาะวิวาทกันทั้งๆ ท, ที่อยู่ภายในครอบครัวดเดียวกันคนในต้องพัดพากสูญเสียแล้วก็ร้องโห o m ร้องไห้ตั้งวงร้องห h มร้องไห้กันมันก็คือเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากความเกิดทางนั้นเลยถ้าเราไม่เกิดเราก็ไม่เป็นคนเมื่อไม่เป็นคนก็ต้องไม่ทะเลาะวิวาทอะไรกัน แต่เมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องผ่านกระบวนการของแก่เจ็บตายในช่วงจะเกิดถึงตายก็มีปัญหาสารพัดมีการพรักรา ก, กสูญเสียมากมีการทะเลาะวิวาทกันมากมีการออยื้อแย่งกันมากแล้วก็สาวกลับไปดูว่าทาไมจึงวิวาดกันทําไมจึงออยื้อแย่งกันทําไมจึงทะเลาะกันและทําไมจึงสงบได้ทําไมจึงเป็นคนดีได้มันก็มีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือความคิด ที่เป็นกุศลหรือเกลุ้ศลเี๋มันเกิดขึ้นภายในจิตในแต่ละขณะให้ลองสังเกตว่าเช่นเด็กนั่งอยู่หลายๆค น, เ, นเรามีความรู้สึกต่อเด็กเหล่านั้นต่างกันอาจจะไปเกลี้ยกล่อดสำหราบคนคนหนึ่งพอมองอีกคนหนึ่งเกิดยิ้มทําไมจึงยิ้มทําไมจึงเกลี้ยกล่อด ที่จริงเด็กไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ว่าใจเรามันมีปัญหาใจเราเป็นกับไปกำหนดว่าเด็กคนนี้เราไม่ชอบเด็กคนนี้เราชอบจะถามว่าเด็กเด็กแกเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราชอบหรือไม่หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราไม่ชอบหรือไม่ก็เปล่าแกก็เป็นในที่เก็บเป็นเพียงแต่เราปรุงขึ้นให้มีปัญหา แล้วเอาก็จิงและปรากฏว่าเด็กที่เราไม่ชอบในวันนั้นแหละต่อมาเราชอบก็ได้ไเด็กที่เราชอบในวันนั้นต่อมาเราไม่ชอบก็ได้แสดงความชอบไม่ชอบมันไม่ได้เป็นตัวจิตแต่เป็นสิ่งที่เราเหนี่ยวขึ้นมาปรุงจิตเองกหมายความไปคว้าไปดึงสิ่งที่มีปัญหาข้ามาสูญจิตในทงการไขว่คว้าทจริงธรรมะก็คว้าก็ไขว่คว้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นการคว้ามาเพราะมองเห็นสารประโยชน์ มองเห็นสิ่งที่ดีงามคล้ายๆกับคนไปคว้าสุรามากับคว้าความรู้มาเนี่ยมันก็คว้าด้วยกันแต่คว้าสุรามาในสุดก็สร้างปัญหาเพราะคว้ามาด้วยความโลภความหลงการคว้าธรรมะคว้าความดีคว้าสมาธิคว้าศีลอะไรมันก็คว้ามาแก่แต่คว้ามาแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์เปลี่ยนแปลงทางจะเป็นการคว้ามาด้วยศรัทธาการคว้ามาด้วยปัญญา ในการความมาด้วยความพอใจในสิ่งที่เป็นกุศลเพราะปัญหาธรรมะปฏิบัติมันเป็นวิถีชีวิตเป็นกระแสของชีวิตข็เพียงแต่คนเข้าใจคิดรู้จักคิดมีสติสัมปชัญญะในการคุ้มครองจิตรักษาจิตจะให้ได้ร0 0เเซมันไม่ใช่เรื่อง1้อยปซแต่ว่าทำอย่างไงให้ ความรุนแรงของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจหรือที่จะเกิดเพิ่มกันมาใหม่ในลดน้อยลงไปที่ไม่ควรเพิ่มก็อย่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ให้พยายามลดลดลงไปแล้วยามที่จะเสริมสร้างความดีแล้วก็รักษาส่วนแห่งความดีเหล่านั้นเอาไว้ใจก็จะเป็นใจที่อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะความเพียร เป็นเครื่องคุ้มชองใจรักษาใจทำให้ความมีความตื่นตัวมีความสว่างเกิดขึ้นภายในใจจะรอดละบรรเทาความทุกข์ลงไปได้ตามกระบังความสามารถของตนต่อตปนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจต้องความสุขสอไป